ต่อจตกนี้ไปข้าพเจ้าจะได้ยกหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเหตุแห่งความฝันมาให้ท่านศึกษาซึ่งในคำภีได้อธิบายไว้ว่ามีอยู่4ีอย่างคือหนึ่งทาตุโคภะเพราะธาตุกำเริบข้อนี้หมายความว่าคนที่ฝันนอนหลับไม่สนิทเพราะร่างกายไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทมาก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 และเมื่อคนเรานอนหลับสิ่งเหล่านี้ก็มักจะปรากฏขึ้นมาเป็นความฝันข้อนี้บางทีก็เรียกว่าจิตวิวรณ์เทวโตบลังอรณะเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงข้อนี้หมายความว่าบางคนในขณะที่นอนหลับจิตจะอยู่ในภาวะที่สามารถจะติดต่อ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 เหตุแห่งความฝันทั้งสี่ประการนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์สัธรรมะปะโชติกาภาคสองหน้า111ท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรกถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงบางทีก็ถือเอาเป็นสาระได้แต่บางทีก็ถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสปุพานิมิตถือเอาเป็นสาระได้ทั้งหมด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 ไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยประสาทตาธรรมดาอย่างที่เราเห็นอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์แต่หาจจะต้องเห็นด้วยประสาทอีกชนิดหนึ่งซึ่งประสาทที่ว่านี้ก็เป็นประสาทที่ใช้การได้ดีเพราะสามารถเห็นอะไรได้ถูกต้องตามความเป็นจริงประสาทที่ว่านี้ก็คือประสาทของกายทิพนั่นเองจึงสามารถเห็นพวกกายทิพได้ปัญหาสาคัญจึงอยู่ที่ว่ากายทิพเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเราก็รู้แน่แล้วว่ากายทิพย์เกิดจากจิตไร้สำนึกหรือผวังขจิตเท่านั้นจะเกิดจากอย่างอื่นไม่ได้และกายทิพย์ที่เกิดจากใจนี้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตด้วยแล้วทำไมจึงมีชีวิตอันนี้ได้อธิบายมามากแล้วความฝันข้อที่สี่ซึ่งเกิดจากวิบา ก, กรรมหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งว่า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 ยอมจะปรากฏสั ญ, ญลักษณ์ออกมาให้เห็นเสมอโดยเฉพาะนี้เมื่อจะมีเหตุการณ์สําคัญไม่ว่าจะในทางดีหรือในทางร้ายพระนางสิริมหามายาเมื่อกล่าวที่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราจะเสด็จลงมาปฏิสนธิในพระคั์พระนางสิริมหามายาก็ได้ทรงสุบินคือฝันว่าได้เห็นช้างเผือกขาวพองเสด็จเข้ามาในห้องบรรทม พระพุทธเจ้าในคืนวันก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ทรงสุบินว่าพระกายของพระองค์แน่นอนเต็มผืนแผ่นดินใหญ่พระหัตถ์ทั้งสองและพระบาททั้งสองจดฝั่งมหาสมุทรส่วนพระเศียรพาดอยู่บนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าพระองค์จะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นความสามารถของจิตไร้าสานึก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 เช่นเดียวกับการทาลึกชาติหมายเหตุผู้อ่านสำหรับยานความสามารถพิเศษในการรู้เห็นอนาคตของผู้อื่นนั้นถ้ายังเป็นโลกิยาชาญก็ย่อมมีวันเสื่อมได้จึงอาจรู้เห็นผิดพลาดได้ต้องเป็นในระดับโลกุตราชานเป็นชาญของพระอริยะหรือผู้บรรลุธรรมแล้วเท่านั้นจึงจะไม่เสื่อมนะครับ และในหลายกรณีการรู้เห็นนั้นก็เป็นการรู้เห็นเฉพาะด้านเหมือนที่เทวดาจำนวนมากก็รู้เห็นได้เฉพาะภพภูมิของตนหรือที่ต่ำกว่าเท่านั้นแม้แต่ความรู้ในชั้นของตนก็ยังรู้ได้ไม่ถูกต้องครบถ้วนยังเป็นมิจฉาทิฐิคือแม้แต่เทวดาก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องของภพชาติได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผู้จะรู้เห็นได้จริงนั้นต้องบรรลุธรรมเป็นพระอริยะ และได้สำเร็จปุกเพนิวาสานุสติยานะจุตูปปาปติยานถึงฝากไว้ให้พิจารณาว่าไม่ควรเชื่อในบุคคลทั่วไปที่อาจทำนายบางอย่างได้ถูกในบางครั้งหรือแม้แต่ความรู้เห็นของตัวเองนะครับให้เข้าใจไว้เสมอว่าปราบได้ยังไม่บรรลุปเป็นพระอริยะยานที่ได้นั้นย่อมมีความเสื่อมได้เสมอ